บัดนี้จักได้แสดงธรรมกรถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิด 3. ควรทาบุญบ่อยๆ ย, ยกเอาพุทธภาษิตหน่อยหนึ่งว่าปุญญเจปุริสโสกริริลากริริลาเถนังปุณบปุนังตัมหิสันทังกริริลาทะสุขโขปุญยญศอุจโย แปดสิทนี้ก็ในนักทรรมตรีก็จะออกอยู่เรื่อยๆท่านให้ความหมายว่าถ้าบุคคลจะทำบุญก็ควรทำบุญหรือความดีนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขในเรื่องบุญท่านก็ได้พรรณนามาแล้วในเรื่องอตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งในวักนี้ เรื่องการทำความดีและความชั่วบ่อยๆมีผลแก่ปณิสัยและจิตใจอย่างไรท่านก็ได้พนันนาแล้วในเรื่องที่สองแห่งวรนี้และในที่นี้ท่านว่าขอพูดเรื่องความพอใจในบุญและการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขการที่จะให้มีชันทะในบุญหรือขวนความดีนั้นเบื้องแรก ต้องพิจารณาหาคุณหรืออานิสงส์ของบุญก่อนติดตรองให้เห็นว่าบุญเกี่ยวข้องกับชีวิตมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรพระพุทธศาสนาของเราแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากดังที่พระบาลีเราคุ้นคุ้นอยู่เสมอว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภ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 ภูมิแห่งสุขคติเมื่อคํานึงว่าเราเกิดมาได้ด้วยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสง์แห่งบุญหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคั่งไม่ลําบากฝืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้น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 ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นภาษาบาลีว่ากิจสังมัจจานสีวิตังบางคนต้องทำงานกลำแดดกลำฝนทนหนาวอย่างสาหัสจึงจะได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีพบางคนทำงานเบาบางคนทำพอประมาณสติปัญญาและกําลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากันเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องบุญและกรรมของแต่ละคนทั้งสิ้น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 พระพุทธศาสนาจึงสอนให้สแสวงหาความสุขได้การทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านานพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวถีทรงปราบรบนางเทพธิดาข้าวตอกอบคงเล็บคงเป็นชื่อว่าลาชะเทวธิดามีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชฤทิ์สมัยนั้นพระมหากัะสปะอยู่ที่ถ้ำปิปิปคูหาเข้าฌานเจ็ดวันออกจากฌานแล้วตรวจ ด, ดูที่พิกขาจารย์เพื่อโปรดคนที่ควรโปรดได้เห็นอุปดิสัยอันงามของหญิงรักษาไร่ข้าวสาลีคนหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดลวงข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่ท่านทราบด้วยญาณของท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธามีใจกล้าในการทาบุญ เมื่อทำบุญแล้วจะได้สมบัติมากพระเถระตกลงใจไปที่นาข้าวสารีของหญิงนั้นเมื่อเธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้หยุดเอาเข้าวตอกมาเกลี่ยลงในบาตรแล้วไหว้ด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วหมายความว่าขอให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้าง พระมหากษัตปรปิอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาเช่นนั้นจงสำเร็จเถิดนางไหว้พระเทละแล้วเดินกลับงูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่คันนานั่นเองเนี่ยคงจะเป็นงูเหา่าเนี่ยเพราะว่าตามไรตามนาเนี่ยแม้แต่บ้านของเราเองเนี่ยที่ประเทศไท ย, ยถ้าชาวไร่ชาวนาน่านยงูเยอะงูเหา่าเนี่ย ถ้าขึ้นไปสายเหนืออย่าเดียวนี้เขาเอางูมาปิ่งแล้วเอาหนูมาปิ่งด้วยเอาทั้งงูทั้งหนูดังนั้นที่อินเดียเนี่ยก็มีนาเยอะเหมือนกันเนี่ยคนทำไร่ทำนาเนี่ยเรื่องงูพิษนี่มีเยอะเลยในในนิทานธรรมบทแม้แต่ที่พระองค์ตัดว่าอส ร, รพิษอส ร, รพิษก็คือ เ, เปรียบเทียบกับงูนั่นเอง งูพิษกัดตายในเมื่อเธอมีจิตเลื่อมใสทมกาละคือตายแล้วได้เกิดในวิมานทองในพบดาวดึงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนางนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งมีนางเทพ อ, อักษรจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคาเต็มด้วยข้าวตอกย้อยระยะ นางใคร่ควรว่าสมบัติเห็นปานนี้เราได้เพราะอาศัยอะไรหนอได้เห็นว่าเพราะถวายข้าวตอกแด่พระมหากัะสปะคิดต่อไปว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเราไม่ควรประมาทควรจักไปทำการบำลุงพระเทระทำสมบัติให้ถาวรดังนี้แล้วถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทขยมูญฝอยทาด้วยทองคา ไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้ำฉันน้ำช้ไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อย เ, เข้าใจว่าภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปมาทําไว้ให้ในวันที่สองก็เหมือนกันแต่พอวันที่สพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางเห็นแสงสว่างแห่งสริระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานท่านจึงเปิดประตูออกมา ถามว่าใครนั่นกวาดบริเวณอยู่ข้าพเจ้าคือราชเทวทิดาอุปถายิกาของท่านนางตอบอุปถายิกาคืออุปถาแต่เป็นผู้หญิงอุปถายิกาชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีพระเถระพูดนางจึงเล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ท่านฟัง เธอมาทําให้ทั้งเมื่อวานสืนและเมื่อวานนี้ด้วยหรือใช่แล้วพระคุณเจ้าจงกลับไปเสียเถิดเทพธิดาที่ทําแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อไปอย่ามาทําอย่างนี้อีกขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทํากิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของข้าพเจ้าให้มั่นคงหลีกไปเถิดเทพธิดาอย่าได้มาทําอย่างนี้อีกพระเทระขอร้องแก้มบังคับ การกระทําของท่านไม่เหมาะแก่เราพร ะ, ะ, ะธรรมมกระถุกรุ่นหลังจะตตำหนิเราได้ว่าได้ยินว่าเทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากสปะอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ำฉันน้ำช่ายเป็นต้นเธอจงไปเส้ะเถิดแล้วอย่ามาที่นี่อีกนางอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระเทระหายอมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่า เ, เจ้าไม่ได้รู้จักประมาณตนเสเลย นางมิอาจรังรออยู่ได้อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอัญชลีร้องให้คล่ำคลวนอยู่ว่าท่านเจ้าข้าโปรดอย่างให้สมบัติที่ข้าพเจ้าได้แล้วต้องพินาศเสียเลยจงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทำกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั่นเถิดพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในคันทกุูดีทรงสดับเสียงเทพทิดา น, นั้นร้องให้ทรงแผ่พระรัศมีไปประดุด ทับนั่งอยู่ตรงหน้าของนางพรางตรัสว่าความสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกัศปะบุตรของเราส่วนการทาบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญการทาบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในพบนี้และพบห น, น้าดังนี้แล้วทรงสแสดงทรมสืบต่อไปว่าบุญญเจปุริโสกยิราเป็นต้นดังที่ได้ยกเป็นตัวอย่าง ในภาสิทธตอนต้นๆที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อพระาศาสดาเทศนาจบลงเทพทิดาได้สำเร็จโสดาปฏิผลในอากาศนั่นเอง 4. เมื่อบาปยังไม่ให้ผลพุทธภาสิทธนี้มีข้อความว่าเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดี แต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปเป็นบาปเมื่อกมดียังไม่ให้ผลคนดีอาจมองเห็นกำดีเป็นบาปไปได้เหมือนกันแต่เมื่อใดกำดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกำดีเป็นกำดีในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอัมพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทำให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดไม่เข้าใจและตกลงไปในหลุมพรางของชีวิตนั้น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 แต่เมื่อกำดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกำลังลงกำชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสียแล้วในทํานองเดียวกันคนที่กำลังทำกำดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเขาผู้มียานน้อยย่อมพิศวงว่าเหตุไฉกำดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มียานไกล ไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผลเมื่อไม่มียานันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกโทมนัดเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไม่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 จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดพระพุทธภาษิต ท, ที่พระองค์ทรงสแสดงนี้สแสดงที่เชตวนารา ม, มืองสาวัตถีทรงปรารภท่านอนาถบินิกะมีเรื่องย่อดังนี้ท่านอนาถบินิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีใจกว้าง ช่วยเหลือคนยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่าอนาทบินดิกะซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนเป็นพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวนารามถึงห้าสิบสี่โกรวงเล็บห้าร้อยสี่สิบล้าน เมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศรษฐีจะไปสู่ที่บำรุงวันละสามเวลาเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปเพื่อถวายพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนอยใสในยค้นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นและตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปมิได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสามเณรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีจะมีอะไรติดมือมาบ้างหนอ เศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานปีจนกระทั่งยากจนลงนอกจากจะหมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทาบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพ่อค้าที่กู้หนี้ของเศรษฐีไปถึงสิบแปดโกรหรือหนึ่งร้อยแปดสิบล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีก18โกรที่ฝังไว้ใกล้แม่น้าเมื่อฝังพังลง เพราะน้ำเสาะทรัพน์นั้นก็จมลงในมหาสมุสรทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยประการชนีถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวันแต่ไม่อาจถวายอย่างประนีตได้ถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนคือข้าวหักผลและน้ำผักดองวันหนึ่งพระาศาสดารับสั่งถามเมื่อท่านเศรษฐีไปเฝ้าว่า บัดนี้ยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีก็ทูลตอบว่ายังให้อยู่แต่ไม่อาจให้อย่างประณีตได้เพราะยากจนลงมากถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ําผักดองเท่านั้นพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าข้าบดีท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่ถวายชื่อว่าประณีต ด, ด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่ง ท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย่อมมีอานิสงส์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามะพรามได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ทักขินัยยะบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระตนลไตรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทักขินัยยะบุคคลเป็นสิ่งที่หายากดังนี้เป็นต้น ทักกินัยะบุคคลก็หมายถึงผู้ควรรับของทาบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตอยู่ประจำที่ซุ้มประตูที่สของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใครจะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนยามราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใคร ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านพูดเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เหลียวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในศาสนาพระสัมณโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้ท่านยากจนลงมาแล้วยังจะไม่หยุดการ จ่ายรัย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั้นอีกหรือหากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นานนักการให้ทานแก่พระสมณะโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอานิสงส์มากจริงอย่างที่พระสมณะโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทําบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้น ขอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกำลังของตนแล้วรีบขวนขวายทำงานสะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คือโอวาทที่ท่านต้องการให้แก่ข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถามใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทำให้ข้าพเจ้าวันไว้ได้ท่านพูดคำไม่เหมาะไม่สมควรมากทีเดียว ท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดอย่าอยู่อีกต่อไปเลยเทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยะสาวกลุกรานเช่นนั้นไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจำไม่ได้เพราะที่อยู่หายากเห็นลําบากเช่นนั้นจึงใคร่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนคร ขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพพระบุตรผู้รักษาพระนครก็ไม่กล้าไปบอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นๆเทวดาจึงไปหาท้าวมหาราชทั้ง4ก็ไม่สําเร็จประโยชน์จึงไปหาท้าวส ก, กเทวราชจอมเทพวิงวอนให้ท้าวส ก, กไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตน เพราะเวลานี้ตนได้ลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้เที่ยวระหกระเหินทาส ก, กะก็ตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่งคือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญาเงินกู้18โกรธที่พวกพ่อค้ายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดและให้ไปเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรอีก18โกธ และทรับอีก18โกดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งหาเจ้าของไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่ว่างเปล่าอยู่เมื่อทำทันธกรรมคือการลงโทษอย่างนี้แล้วจงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเทวดาได้ทำตามคำแนะนำของเท้าสกกะครบถ้วนทุกประการแล้วก็ไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันถาน ซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านเพราะความอันตรพาลขอท่านจปอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำธนกรรมแล้วด้วยการรวบรวมรัพย์54โกดมาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของเท้าสกกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลาบากเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้รู้สึกโทษของตนแล้ว เราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนำไปเฝ้าพระศาสดาให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะอดโทษในภายหลังดังนี้แล้วได้นำไปเฝ้าพระศาสดาเทวดานั้นหมอบลงแทบยุคนบาทแห่งพระพุทธองค์กราบถูนว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วช้า เพราะความอันถ า, านขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลังพระศาสดามีพระประสงค์จะโอวาสเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนขหาบดีคนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผล คนทำกรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทำกรรมดีย่อมเห็นอนุภาพแห่งความดีดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปว่าปาโปปิปสติพัทรังเป็นอาทิดังได้ยกมาในบางตนนั้น วินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงว่งเล็บอุปติเทพบางท่านอาจจะลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกใกล้จึงต้องพาลูกเต้าละเหเรร่อนไปไม่มีที่พักอาศัยซุมประตใูใหญ่ของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มาก บางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักก็ได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งพวกเฝ้าประตูปีนขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวรยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจจะถือเป็นธุระไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดินท่านผู้นั้นออกอุบายให้ เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอนุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมหนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอนุภาพนาทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีก18โกดมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอนุภาพของท่านผู้นั้นถึง54โกดหรือ540ล้าน คนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้จะมาอยู่เป็นคนรับใช้เฝ้าประตูเข้าอยู่ทำไมอนุภาพอย่างนี้น่าจะเป็นอนุภาพของเทวดาจริงใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาน้อมใจเชื่อ 5. ไม่ควรดูหมินบาปมาว่ามันเยทะปาปัสะนะมะตังอาคมิสติ อุทะพินธุนิปาเตนะอุทะกุมโพโปิปุรติปุรติพาโลปาปัสสะโถกังโถกั ง, กงปิอาจินังภาษาบาลีแปลว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปเล็กน้อยจะไม่มาถึงตนเหมือนอย่างว่าหม้อน้ำย่อมเต็มด้วยน้าที่ตกลงมาทีละหยาดชั้นใดคนผ่านสั่งสมบาปทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปชันนั้น ขยายความบาปเล็กน้อยเพียงไรก็ชื่อว่าบาปให้ผลเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนอุจจาระปัสสาวะหรือน้ําเลือดน้ําเหลืองเล็กน้อยเพียงไรก็มีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดโสโครกอันหนึ่งโดยธรรมดาของมากย่อมมาจากของน้อยก่อนเมื่อสะสมนานเข้าไล่หลายครั้งน้อยก็กลายเป็นมากท่านเปรียบเหมือนน้ําหยดลงภาชนะทีละหยด เมื่อนา น, านเข้าภาชนะนั้นย่อมเต็มได้ทํานองเดียวกันคนหมั่นสังสมบาปย่อมเต็มไปด้วยบาปกลายเป็นคนบาปหาสิริมงคลในตนไม่ได้จึงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยจะไม่มาถึงตนสําหรับภิกษุพึงเห็นตัวอย่างเรื่องนาคเอรกปัดซึ่งสมัยหนึ่งเป็นภิกษุนั่งเรือไปในลําน้ําเอามือไปจับตะไคร่น้ําทําให้ใบาขาด ไม่ได้ปรงอาบัติเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาจนตายมีความรู้สึกเหมือนใบตะไคร่น้ําอาพันคอจะหาใครปรงอาบัติก็ไม่ได้ตายลงขณะที่จิตมีวิปัิสารวงเล็บคือความเดือดร้อนใจว่าได้ทําความชั่วไว้ไปเกิดเป็นนาคอันเป็นกําเนิดดิ拉 า, านผู้ไม่ประมาทควรมีสติระวังเรื่องเล็กน้อยเห็นเรื่องใดไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบระ ง, งับเสีย ก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่โตทานองน้ำพึ่งหกหยดเดียวทำให้เกิดการทะเลาะกันทั้งเมืองอันหนึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะเริ่มจากเป็นเล็กน้อยก่อนแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รีบบำบัดรักษาเสียจนลุกลามมากขึ้นยากแก่การรักษาบางทีทำให้ถึงตายด้วยโรคนั้นความรักความชังความโกรธและความพยาบาท ย่อมเกิดไปทีละน้อยก่อนทั้งสิ้นถ้าระงับได้บรรเทาและละให้หมดไปก็เป็นอันหมดไปปล่อยไว้มันก็จเจริญเติบโตมั่นคงขึ้นตามวันเวลาเพราะฉะนั้นทางที่ดีจึงควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้มากแล้วแก้จะแก้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบาปไม่ควรดูหมิ่นเลยทีเดียวควรกลัวควรหีกเลี่ยงเหมือนคนมีในตาดีหลีกทาง อันเต็มด้วยขวากนาำและหล่มเลนพระพุทธภาสิทธนินี้พระพุทธองค์ทรงแสดงที่เชวตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุผู้ไม่ถนอมบริขารมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ความว่าภิกษุนั้นเมื่อใช้ของเป็นต้นว่าเตียงตังณนะที่ใดอันเป็นภายนนอกห้องแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นไม่เก็บไม่ถนอมใช้ บริขารเหล่านั้นย่อมเสียหายไปเพราะแดดบ้างเพราะฝนบ้างเพราะสัตว์มีปวกเป็นต้นบ้างเมื่อเพิ่มภิกษุด้วยกันเตือนว่าธรรมดาภิกษุเมื่อใช้ของแล้วควรเก็บงำให้เป็นที่และปลอดภัยเธอกลับกล่าวโต้แย้งว่าเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรดังนี้แล้วก็ทาอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนาความนั้น กราบทูลพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่ถนอมบริขารมาตรัสว่าแม้ต่อพระพักพระศาสดาเธอก็ยังพูดเหมือนเดิมเรื่องเล็กน้อยบริขารพวกนั้นไม่มีจิตและไม่ใช่ของสวยงามอะไรพระตถาคตเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าภิกษุทำอย่างนั้นหาควรไม่ไม่ควรดูหมินบาปเพื่อเล็กน้อยเพราะคนทำบาปอยู่บ่อยๆทีละน้อยนั้น ย่อมกลายเป็นกองบาปที่ใหญ่โตได้เหมือนภาชนะที่เปิดปากทิ้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกแม้จะไม่เต็มด้วยน้ำฝนเพียงหยดเดียวแต่ก็ต้องเต็มเพราะหยดฝนหลายหยาดหยดรวมกันดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่ามาวะมันเยทะปาปัสะเป็นอาทิดังได้พรณามาแล้วนั่นแหละ ไม่ควรดูหมิ่นบุญมาว่ามันเยตะปุญญสสะนมัมตังอาคมิสติอุทัพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญสสะโธกังโธกังปิอาจินังแปลว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญเล็กน้อยจกไม่มาถึงนักปราดสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญ เหมือนหม้อน้ำเต็มด้วยน้ำที่ตกทีละหยาดฉะนั้นทำนองเดียวกันกับเรื่องบาปที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5้าแห่งวรนี้คือบุคคลสังสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปสันใดคนสังสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉะนั้นต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสังสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสังสมความดี คนดีมีปัญญาย่อมไม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยแล้วเพิกเฉยเสียเขาย่อมหมั่นเก็บหมั่นสั่งสมคุณงามความดีวันละเล็กวันละน้อยเท่าที่กำลังกายกำลังทรัพย์และโอกาสจะอำนวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์และหลากสันฐาน ความจริงความดีที่จะต้องทำนั้นมีมากที่ต้องออกซับก็มีไม่ต้องออกซับก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยเยแล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากคลโลกนั่นก็เป็นความดีการทับใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราสามารถทำความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญกิริยาวัตถุคือวิธีทำบุญไว้สิบอย่าง จะกล่าวโดยย่อดังนี้ 1. นทานนามัยบุญจากการบริจาค ก, การให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ศีลนมัยบุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียน 3. ภาวนาไมบุญจากการอบรมจิตให้สงบของแพ้วสี่อภิญญนามัยบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อม 5. วั ย, ยาวัจจมัยบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่น 6. ปฏิทานใมมยบุญจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนามหม่บุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมเทศนาใหม่บุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่น 9. ธรรมสวนสดมบุญจากการฟังธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามธรรมนองครองธรรมตามนี้จะเห็นได้ว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทำบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกพั์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นอีก9ก้าข้อไม่ต้องออกซั์เลย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 วงเล็บเศรษฐีตีนแมวมีเรื่องย่อดอังนี้สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีส่วนกันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อสวัยเสร็จแล้วพระศ า, าสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติ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 ครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าอาจจัศจรรย์แท้เราควรทำกรรมอันจะกำนวยสมบัติทั้งสองคือโภคะสมบัติและบริวารสมบัติดังนี้แล้วกราบทูนภาษาสดาขออาราธนาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับพัฒตาหารของตนในวันรุ่งขึ้น เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงรับแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกให้สวยพัตตาหาในวันรุ่งขึ้นท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำพึ่งเป็นต้นก็ขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจะรวบรวมของเหล่านั้นเข้าด้วยกันหุงต้มในที่เดียวกันแล้วถวายทาน นั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบัณฑิตนั้นมาถึงหน้าร้านของตนไม่ชอบใจว่าเจ้าคนนี้ไม่นิมนพระให้พอควรแก่กําลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกดังนี้แล้วได้ให้ของไปอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเมื่อจะให้ข้าวสารก็เอานิ้วสามนิ้วหยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ถั่วก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันคนตั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่า พิลาละปทกะวงเล็บมีเท้าเหมือนแมวคือเบามากเมื่อจะให้เพศัตมีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียงสองสามหยดเท่านั้นอุบาสกรวมเอาวัตถุต่างๆที่คนอื่นให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือรวมกันไว้แต่แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ต่างหาก เศรษฐีเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วคิดว่าทําไมหนอจเจ้าคนนี้จึงแยกของของเราไว้ผนกหนึ่งต่างหากจึงให้คนใช้คนหนึ่งตามไปดูว่าเขาจะเอาของนั้นไปทำอย่างไรบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเอาของเศรษฐีผสมลงในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐี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 ได้รับการร่วมมือจากคนเป็นอันมากแต่ละคนได้ให้ของมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่คนเหล่านั้นด้วยเถิดเศรษฐีได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่าเรามาที่นี่ด้วยตั้งใจจะฆ่าบุรุษนี้เสียเมื่อเขาเอ่ยชื่อเราว่าเศรษฐีชื่อนน้นหยิบข้าวสารเป็นต้นด้วยนิ้วแล้วให้แต่บุรุษนี้เอาทายธรรมต่างๆมารวมกันแล้ว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 พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจากเศรษฐีแล้วตัดว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าน้อยบัณฑิตทำบุญอยู่บ่อยๆแม้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยย่อมเต็มไปด้วยบุญดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถาดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั่นแหละ